บทภาชณีติกะปราจิตตีสองร้อยแห้องนอนภิกษุสําคัญว่าเป็นห้องนอนเข้าไปนั่งแทรกแสงในตระกูลที่มีคนสองคนต้องอบัตติปาจิตตีห้องนอนภิกษุไม่แน่ใจเข้าไปนั่งแทรกแสงในตระกูลที่มีคนสองคนต้องอบัตติปาจิตตีห้องนอนภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ห้องนอนเข้าไปนั่งแทรกแสงในตระกูลที่มีคนสองคนต้องอบัตติปาจิตตีทุกทุกกฏ ไม่ใช่ห้องนอนพิสูุสำคัญว่าเป็นห้องนอนต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่ห้องนอนพิสูจไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎ enfin ไม่ใช่ห้องนอนภิสูุสำคัญว่าไม่ใช่ห้องนอนไม่ต้องอบัต